อนิสงหรือบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจของเราซึ่งก็คือการที่จิตใจมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ อั น, นิส์งก็คือผลที่เราจะได้รับอั น, นิสองของบุญอันนี้ถือว่าเป็นอั น, นิี้สองแต่ว่าผลที่เราจะได้รับเกิดขึ้นที่จิตใจของเรามันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องของบุญเรื่องของธรรมะอย่างเช่นเราทาบุญเราให้ทานอันนี้สองของทานคืออะไรคือเกิดมาเป็นคนรวย มีทรัพย ส, สมบัติทรัพย์เนเงินทองอันนี้เป็นอันดับสองเร า, ารักษาศีลศีลห้าศีลแอั น, นิสงส์ที่เราจะได้รับหุือผลที่จะได้รับก็คือไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าหรืออั น, นิสงส์ของการภาวนาภาวนานี่ก็คือการปฏิบัติธรรมการทํากรรมฐาน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 แต่ทางด้านธรรมะนั้นผลกับที่ด้านจิตใจได้ทางใจแต่ละอย่างนี้ก็อันนิสง์ก็แตกต่างกันคือผลที่ได้รับถ้าว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถึงว่าปฏิบัติธรรมนะทํากรรมฐานถึงที่สุดจะได้อ น, นิสง์ทางด้านจิตใจก็คือจิตสะอาดสว่างสงบจะเรียกว่าเป็นความสุขสูงสุดเลยก็ะดาจะเป็นความสุขนะ ที่จริงก็คือความสะอาดความสว่างความสมบนี่ก็เหนือสุขเหนือทุกข์แล้วละพ้นไปแล้วหรือว่าเป็นนิพพานก็ได้ส่วนการให้ทานอย่างเช่นว่าผลการให้ทานอั น, นสอ์ทานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีทังนั่นจิตใจแต่ว่ายัางไม่มากพอเท่ากับการรักษาศีลศีลนีนน่อั น, นิสงผลคือสูงกว่าส่วนการภาวนาเนี่สูงสุดเลย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 คุยอุหะแล้วก็มีจารึกชื่อลงไปด้วยต้องจารึกชื่อเลยนะถ้าไม่จารึกชื่อนี่มันไม่ได้ก็จะเป็นความโลภอยู่ความโลภโอ้นี่เราได้ทําบุญไปแล้วนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นความโลภในบุญที่เราทํายังมีกิเลสบางทีเราสร้างไปแล้วใครบอกว่าเราไม่ดีไม่ น, าน่าจะบริจาคเงินไปมากมายขนาดนั้นจะแย่งเงินเปล่า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 เช่นการเจริญสติอันนี้มีอา น, นิสงส์มากทำให้จิตใจในสะอาดสว่างสงบเป็นนิพานชั่วขณะก็ว่าได้เช่นเวลาเราเจริญสตินะสมมติว่าเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเรามีสติรู้นหายใจออกเรามีสติรู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้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 จิตเป็นปกติไม่มีอะไรปรุงแตลงมีแต่สภาวะที่รู้ล้วนๆเห็นไหมไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันพ้นทุกข์ได้ในขณะนั้นแค่ช่วงระยะแค่ลัดนิ้วมือเดียวเสี้ยววินาทีเดียวคือรู้สึกแค่มีสติรู้สึกตัวขณะเดียวเท่านะั้นโจิตใจเรานี่ไปไกลเลยเป็นการตัดกิเลส สิ้นพบสิ้นชาติในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ ย, ยขณะแค่ช่วงขณะเดียวของจิตทานันเองพัฒนามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถทาให้ต่อกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆนะเราก็จะได้อานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยบ่อยๆคือความสะอาดความสว่างความสงบ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 แต่ไม่เคยปฏิบัติเราก็ได้บุญแค่การฟังการศึกษาแต่บุญอันนิสงจากการปฏิบัตินั้นเราจะไม่ได้เลยรางนั้นก็ลงมือปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยจเจริญสติเลยแต่ไม่ค่อยได้ศึกษาปฏิบัติเลยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะหลงทิศหลงทางได้เพราะนั้นเราก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเข้าใจ ถูกต้องแล้วก็เวลาเอาไปปฏิบัติก็ไม่หลงคิดลงทางพุทธองค์ยังทรงอุปมาผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยมีอยู่สประเภทท่านยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหนูหนูขุดรูหนูประเภทที่หนึ่งคือขุดแต่ไม่อยู่ประเภทที่สองคืออยู่แต่ไม่ขุด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 แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้หนูว่าเพศแรกก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีมากยังไม่ดีกว่าประเพทที่สองคืออยูร่รูแต่ไม่ยอมขุดอยูร่รูแต่ไม่ยอมขุดรูก็คือลงมือปฏิบัติเลยถึงก็ต่างทาปฏิบัติทันทีเลยไม่ได้ศึกษา ม, มาก่อนบางทีก็ลงทิศลงทางเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะจะได้อ น, นิสง์จากการปฏิบัติประเภทที่สก็คือ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 ว่าการเจอสติเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีทํำทำอย่างไรทําที่ไหนทําเมื่ อ, อไหร่ศึกษาวิธีการเอาไว้พอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงทำรรเข้าถึงสัจธรรมคือเราขุดรู้ด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ด้วยได้ประโยชน์ทั้งสอง ย, าย่างเพราะนั้นการศึกษาธรร ม, มะไม่ต้องศึกษาธรร ม, มะฟังไปเถอะฟังแล้วก็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 ทีมันก็หนักหนาสาหัสบางทีแก้ไขไม่ได้เลยพวกเราป้องกันทุกไปก่อนดีกว่าการป้องกันความทุกขการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยเป็นการป้องกันความทุกขดีกว่าการแก้ไขที่เหตุเราป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีกว่าการรักษาความป่วยไข้การรักษาที่รักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็มีนะเราะฉนั้นการป้องกันป้องกันความป่วยไข้มีวิธีการต่างๆ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 แกไไ้ไขที่ปลายเหตุ